สุ Shift, สทั้งหลายส่วนบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นจากขุ่ตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นรูปตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นจากขูวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นจากขู่สัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นสุขทุกข์หรืออทุก ข, ขมสุขที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะจากขู่สัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยตามความเป็นจริง ย่อมไม่ยินดีในจักขุย่อมไม่ยินดีในรูปย่อมไม่ยินดีในจักขุวิญญาณย่อมไม่ยินดีในจักขุสัมผัสย่อมไม่ยินดีในสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลนั้นไม่ยินดีไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงพิจารณาเห็นเป็นโทษอยู่ อุปาทานขันห้าย่อมไม่ถึงความพอกพูนขึ้นต่อไปเขาย่อมละตัณหาที่นำไปสู่พบใหม่อันสหรคตด้วยความเพลิดเพลินยินดีชวนให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้เขาย่อมละความกรวนกระวายที่เป็นไปทางกายที่เป็นไปทางใจและความเดือดร้อนที่เป็นไปทางกายที่เป็นไปทางใจ และความเร่าร้อนที่เป็นไปทางกายที่เป็นไปทางใจได้จึงสวยสุขทางกายบ้างสวยสุขทางใจบ้างทิฏฐิของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความดำริของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะความพยายามของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาวายามะ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 เมื่อบุคคลนั้นเจริญอริยมรตมีองค์แปดนี้อยู่อย่างนี้สติประธานสี่ขดีสัมมาประธานสีก็ดีอิมมทิบาสีก็ดี อ, ดอินรี่ห้าก็ดีภละห้าก็ดีโพชฌงเจ็ดก็ดีย่อมถึงความเจริญเต็มที่ท่ามสองนี้คือหนึ่งสมถะสองวิปัสสนาของเขาย่อมเคียงคู่กันไป บุคคลนั้นกําหนดรู้ธรรมที่ควรกาหนดร um so ู้ด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมละธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมเจริญธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมทาให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมที่ควรกําหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรควรจะตอบว่าอุปาทานขันหคือหนึ่งรูปูปาทานขัน อุปาทานขันคือร right> ูป yes, 2. เวทนูปารทานขันอุปาทานขันคือเวทนา 3. สัญญูปารทานขันอุปาทานขันคือสัญญา 4. สังขารูปารทานขันอุปาทานขันคือสังขาร 5. วิญญาณูปารทานขันอุปาทานขันคือวิญญาณธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมที่ควรกําหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรคือหนึ่งอวิชชาสองภวะตันหาธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรคือหนึ่งสมถะสองวิปัสสนาธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิง่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรคือหนึ่งวิชาสองวิมุตติธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิง่ง ทั้งหลายบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นโสตะตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นคานะตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นชิวหาตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นกายตามความเป็นจริงบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นมโนตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นธรรมมารมตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นมโนวิญญาณตามความเป็นจริง เมื่อรู scores, house, human, ้เม so ื really ่อเห็นมโนสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัจเสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมไม่ยินดีในมโนย่อมไม่ยินดีในธรรมารมย่อมไม่ยินดีในมโนวิญญาณย่อมไม่ยินดีในมโนสัมผัสย่อมไม่ยินดีในสุขทุกข์หรืออทุกขมสุข ที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลนั้นไม่ยินดีไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงพิจารณาเห็นเป็นโทษอยู่อุปาทานขันห้าย่อมไม่ถึงความพ่อพูนขึ้นต่อไปเขาย่อมละตันหาที่นำไปสู่พบใหม่อันสหรคตด้วยความเพลิดเพลินยินดีชวนให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้ ย่อมละความกรนกระวายที่เป็นไปทางกายที่เป็นไปทางใจละความเดือดร้อนที่เป็นไปทางกายที่เป็นไปทางใจละความเร่าร้อนที่เป็นไปทางกายที่เป็นไปทางใจได้จึงสวยสุสขทางกายบ้างสวยสุขทางใจบ้าง <ADHD> that, ทิฏฐิของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความดำริของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้น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 อริยมรรคมีองค์แปดนี้ของเขาย่อมถึงความเจริญเต็มที่เมื่อบุคคลนั้นเจริญอริยมรรคมีองค์8ดนี้อยู่อย่างนี้สติปัฐานสี่ขดีสัมมาปทานสี่ขดีอิทิบาทสี่ขดีอินรียห้าข้ดีพละห้าข้ดีโพ้ชงเจ็ดข้ดีย่อมถึงความเจริญเต็มที่ธรรมสองนี้คือหนึ่งสมถะ สองวิปัสนาของเขาย่อมเคียงคู่กันไปบุคคลนั้นย่อมกาหนดรู้ธรรมที่ควรกาหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมละธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมเจริญธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมที่ควรกาหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรควรจะตอบว่า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 คือหนึ่งอวิชชาสองภวะตันหาธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิง่งธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิง่งเป็นอย่างไรคือหนึ่งสมถะสองวิปัสนาธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมที่ควรทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรคือหนึ่งวิชา สองวิมุตติทมเหล่านี้ชื่อว่าทมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลสลายตนะวิพังคสูตรที่เจ็จบ 8. นครวินะทะยยสูตรว่าด้วยพราหมณ์และหบดีชาวบ้านนครวินทะเข้าไปเจ้าได้สดระมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศนพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงหมู่บ้านพราหมณ์ของชาวแคว้นโกศลชื่อนครวินทะพราหมณ์และหบดีชาวบ้านนครวินทะได้ทราบข่าวว่า ท่านพระสมณะโคโดมผู้เป็นสักยะบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะตรกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นโกสนพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จถึงนครวินทะโดยลำดับท่านพระโคโดมนั้นมีกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ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 แล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศโรมจันท ร, ร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงครั้งนั้นพราหมณ์และขหาหบรีชาวบ้านคนครวินทะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับบางพวกถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกทูลสนธนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคประทับนั่งแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประกาศชื่อและโคดในสำนักของพระผู้มีพระภาค แล้วนั่งณที่สมควรบางพวกนั่งนิ่งอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพราหมณ์และขหาบาดีชาวบ้านนครวินทะว่าสมณพราหมณ์ผู้ไม่ควรสักการะ พรามและขาหบดีทั้งหลายถ้าอัญญะเดรถีปริภาชกถามท่านทั้งหลายอย่างนี้ว่าพรามและขาหบดีทั้งหลายสมณะพรามเช่นไรอนันท่านทั้งหลายไม่ควรสักการะไม่ควรเคารพไม่ควรนับถือไม่ควรบูชาท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าสมณะพรามเหล่าใดยังไม่ปราศจากราคะ ความกำหนัดยังไม่ปราศจากโทสะความขัดเคืองยังไม่ปราศจากโมหะความลุ่มหลงในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตามีจิตยังไม่สงบในภายในประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจสมณพราหมณ์เช่นนี้ไม่ควรสักการะไม่ควรเคารพไม่ควรนับถือไม่ควรบูชาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่า แม้เราทั้งหลายก็ยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตามีจิตยังไม่สงบในภายในยังประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจเพราะเราทั้งหลายไม่เห็นแม้ความประพฤติที่สม่ำเสมอนั้นที่สูงสูงขึ้นไปของสมณะพราหมณ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นสมณะพราหมณ์เหล่านั้น จึงไม่ควรสักการะไม่ควรเคารพไม่ควรนับถือไม่ควรบูชาสมณพราหมณ์เหล่าใดยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูสมณพราหมณ์เหล่าใดยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะในกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก สมณพราหมณ์เหล่าใดยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโ ท, โ ท, ท Morris. สะยังไม่ปราศจากโมหะในรถที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นสมณพราหมณ์เหล่าใดยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะในโพัพภะที่พึงรู้แจ้งทางกายสมณพราหมณ์เหล่าใดยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะ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 ไม่ควรนับถือไม่ควรบูชาพรามขาหาบดีทั้งหลายท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญะเดรธิปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้เถิด สมณพราหมณ์ผู้ควรสักการะพราหมณ์และขหาบดีทั้งหลายถ้าอัญญะเดรธีปริพาชกถามท่านท like ั้งหลายอย่างนี้ว่าพราหมณ์และขหาบดีทั้งหลายสมณพราหมณ์เช่นไรอันท่านทั้งหลายควรสักการะควรเคารพควรนับถือควรบูชาท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญะเดรธีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่า สมณพราหมณ์เหล่าใดปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตามีจิตสงบในภายในประพฤติสม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจสมณพราหมณ์เช่นนี้ควรสักการะควรเคารพควรนับถือควรบูชาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าแม้เราทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะ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 ควร น, นับถือควรบูชาสมณพราหมณ์เหล่าใดปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูสมณพราหมณ์เหล่าใดปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะในกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกสมณพราหมณ์เหล่าใดปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะในร <Loki> ส ที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นสมณะพราหมณ์เหล่าใดปราศจากราคาระปราศจากโทษะปราศจากโมหะในโภชัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายสมณะพราหมณ์เหล่าใดปราศจากราคาระปราศจากโทษะปราศจากโมหะในธ ร, รัมมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจมีจิตสงบในภายในประพฤติสม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจ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 เพราะเราทั้งหลายเห็นแม้ความประพฤติสม่ำเสมอ น, นั้นที่สูงสูงขึ้นไปของสมณะพราหมณ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นสมณะพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นจึงควรสักการะควรเคารพควรนับถือควรบูชาพราหมณ์และขาหาบดีทั้งหลายท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญาเดรธิปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้เถิด ปฏิปทาของผู้ไม่มีราคะพราหมณ์และขะหบดีทั้งหลายถ้าอัญญะเดรถีปริภาชกถามท่านทั้งหลายอย่างนี้ว่าก็ท่าทางและการปฏิบัติของท่านผู้มีอายุทั้งหลายเป็นอย่างไรจึงเป็นเหตุให้ท่านทั้งหลายกล่าวถึงท่านผู้มีอายุทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเหล่านั้นเป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะ เป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อกาจัดโทสะเป็นผู้ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อกาจัดโมหะแน่แท้ท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าจริงอย่างนั้นท่านผู้มีอายุเหล่านั้นย่อมใช้สอยเสนาสนะอันสงัดคือป่าดงอันเป็นที่ไม่มีรูปที่พึงรู้แจ้งทางตา ซึ <unlucky. S 2> ่งคนทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจะพึงยินดีย่อมใช้สอยเสนาสนะอันสงัดคือป่าดงอันเป็นที่ไม่มีเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูซึ่งคนทั้งหลายฟังแล้วฟังแล้วจะพึงยินดีย่อมใช้สอยเสนาสนะอันสงัดคือป่าดงอันเป็นที่ไม่มีกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกซึ่งคนทั้งหลายดมแล้วดมแล้วจะพึงยินดี ย่อมใช้สอยเสนาสนะอันสงัดคือป่าดงอันเป็นที่ไม่มีรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นซึ่งคนทั้งหลายลิ้มแล้วลิ้มแล้วจะพึงยินดีย่อมใช้สอยเสนาสนะอันสงัดคือป่าดงอันเป็นที่ไม่มีโภภพธพภะที่พึงรู้แจ้งทางกายซึ่งคนทั้งหลายสัมผัสแล้วสัมผัสแล้วจะพึงยินดีท่าทางและการปฏิบัติของท่านผู้มีอายุเหล่านี้แล เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกล่าวถึงท่านผู้มีอายุได้อย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเหล่านั้นเป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะเป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อกําจัดโทสะเป็นผู้ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อกําจัดโมหะแน่แท้พราหมณ์และขหบดีทั้งหลายท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงตอบอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้เถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์และขหาบดีชาวบ้านนครวินทะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระโคดมผู้เจริญพระพาสิตของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระโคดมผู้เจริญ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 เป็นอุบาสกผู้ถึงสรณนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตนักระวินณะเทยสูตรที่8จบเก้า บินทปาตะบริสุทธิ์ที่สตรว่าด้วยการทำบินทบาทให้บริสุทธิ์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขครงราชครึกครันเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเรนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้ว นั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าสารีบุตรเธอมีอินทรีย์ผ่องใสมีผิวพันธุบริสุทธิ์ผุดผ่องเธออยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรเป็นส่วนมากในบัดนี้ท่านพระสารีบุตรทูลตอบว่าข้าพระองค์อยู่ด้วยสุญญาวิหารธรรมเป็นส่วนมากในบัดนี้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดีละดีละสาเรบุตรได้ยินว่าเธออยู่ด้วยวิหารธรรมของมหาบุรุษเป็นส่วนมากในบัดนี้เพราะวิหารธรรมของมหาบุรุษนี้ก็คือสุญญาตาเพราะฉะนั้นถ้าภิกษุหวังว่าเราพึงอยู่ด้วยสุญญาตาวิหารธรรมเป็นส่วนมากภิกษุนั้นพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเข้าบ้านเพื่อบินบาตโดยทางใด เราได้เที่ยวบินธบาทในประเทศใดและเรากลับจากบินธบาทจากบ้านโดยทางใดในที่นั้นเรามีฉันทะความพอใจราคะความกำหนัดโทสะความขัดเคืองโมหะความลุ่มหลงหรือปฏิฆะความกระทบแห่งใจในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาบ้างไหมถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า เราเข้าบ้านเพื่อบินธบาตโดยทางใดเราได้เที่ยวบินธบาตในประเทศใดและเรากลับจากบินธบาตจากบ้านโดยทางใดในที่นั้นเรามีฉันทะราคะโทสะโมหะหรือปฏิฆะแห่งใจในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอยู่ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อละบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นเสีย แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเข้าบ้านเพื่อบินธบดยทางใดเราได้เที่ยวบินธบาตในประเทศใดและเรากลับจากบินทบดีจากบ้านโดยทางใดในที่นั้นเราไม่มีชันทะราคะโทสะโมหะหรือปฏิฆะแห่งใจในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาสารีบุตรภิกษุนั้น พึงตามศึกษาในกุณธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทนั้นแลสารีบุตรอีกประการหนึ่งภิกษุพึง พ, พิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเข้าบ้านเพื่อบินทบาตโดยทางใดเราได้เที่ยวบินทบาทในประเทศใดและเรากลับจากบินธบาทจากบ้านโดยทางใดในที่นั้นๆเรามีฉันทะราคะโทสะโมหะในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูบ้างไหมเรามีฉันทะราคะโทสะโมหะในกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกบ้างไหมเรามีฉันทะราคะโทสะ โมหะในรถที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นบ้างไหมเรามีฉันทะราคะโทสะโมหะในโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายบ้างไหมเรามีฉันทะราคะโทสะโมหะหรือปฏิฆะแห่งใจในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจบ้างไหมถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า เราเข้าบ้านเพื่อบินธบาีโดยทางใดเราได้เที่ยวบินธบาทในประเทศใดและเรากลับจากบินทบาทจากบ้านโดยทางใดในที่นั้นเรามีฉันทะราคะโทสะโมหะหรือปฏิฆะแห่งใจในธรรมารมที่พึงรู้แจ้งทางใจภิกสุนั้นพึงพยายามเพื่อละบาปอากุศลธรรมนั้นแต่ถ้าภิกสุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า เราเข้าบ้านเพื่อบินธบาตโดยทางใดเราได้เที่ยวบินทบาตในประเทศใดและเรากลับจากบินทบาตจากบ้านโดยทางใดในที่นั้นเราไม่มีฉันทะราคะโทสะโมหะหรือปฏิฆะแห่งใจในธรรมารมที่พึงรู้แจ้งทางใจสารีบุตรภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืน อยู่ด้วยปีติและปราโมทนั้นแหลอีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราละกามคุณห้าได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า เรายังละกามคุณห้าไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อละกามคุณหแต่ถ้าภิกษุนั้นพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราละกามคุณหได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทนั้นแล อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราละนิวรณ์ห้าได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังละนิวรณ์ห้าไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อละนิวรณ์หแต่ถ้าภิกษุนั้นพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราละนิวรณ์ห้าได้แลว้วภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลาย ทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปิติและปราโมทนั้นแหละ